ตูมมาสมพุทธาอริยคานตูปัจจายะวิกขปตังวัตรุตระปัญจกักรีภิกานิโชวีปังวัตระศาสนานิอติกันตานิปจุบันนาตาเวสนะภิกษุภาธรรมมาสนปัญจจก อิศิมังคุงนางวาโรเจนะปณะสุกรวาโรโหติเอวังตระภะโวาโตปริมคาณาศาสนาโยกานละคะนนาคันละกจตพานสีสภามสนุพระพุทธศาสนาโยกานจำเดิมแต่วันไปมัน แห่งองค์สมเด็จพระพิสตทธมานะหันเดนสมารสมุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่นแล้วในสองพันห้ารอยยี่สิสองพันสายประจันยุบันในสมัยเสด็จอาคุ ม, มามาตรินทีที่ห้าวันสุกวันนี้เป็นปัจจันยบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันฟรุตานแห่งองค์สมเด็จเส้าภูมิภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริสัทธ์่งกำหนดนับได้ด้วยเคราะห์ราชีนีักมูสักกะสุวัตุระ จำปากคือวันราสิทห้าค่ำเดือนหกวันนี้ความจริงการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาจะมาอยู่ไม่อยู่เค่วัพระหนึ่งคือนราแปดค่ำซึ่งเป็นวันสำคัญแก่นั้นจึงแม้ว่าวันนี้จะร่วมมาเป็นหนึ่งปักก็จขอย้อนรอยขอยหลังไปแสดงพระธรรมเทศนาวังสำคัญในวันนั้น เรื่องการบำเพ็ญกุศลบัญญาสีกขัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระเอกาก็ไไปตามบุญญัติยาวัตถุบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วต่อไปนี้ไปเจ้าของนำเอาพระพุทธจริย์ขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วกรมีชาบรรดาทั้งมาพระเจ้า เป็นการแสดงขั้นปฏิบัในชีวิตพระองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรมาแสดงแก่บรรดาสมุทธบริษัทธเพื่อการศึกษาความมีว่าเมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ก็สู่พระปริพัน์แล้วในระหว่างนางรังท่างผู้แห่งเมืองกุศินารา แต่ทว่ากอมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงดับขันเข้าสู่พระนิพานในขณะนั้นพระอันมีจักราภูลถามองค์สมเด็จพระพิะพัฒมารามาสานด้สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอันเตทัคขวายท่าแต่องค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าผู้เจเลยพระพุทธเจ้ากา แล้วก็วันนี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระบระมศาสนดามสมามาสมเด็จเจ้าจะทรงดับขันธ์กสุทั้งปวงผ่านบรรดาพวกข่าพร ะ, ระรพุทธเจ้าทั้งหมดนี้นั้นควรจะปฏิบัติในสริละแร้ายายของพระองค์เป็นประการใดในตอนนั้นองค์สมเด็จเคยจำใจพระบรมศาสนดาสมมาสมเด็จเจ้าเช่นในทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนุน การชำระสราญสรีราชิตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นควรทำเพื่งเดียวกับพระเจา้าจักรพริราชความจริงที่ท่านนลถามองค์สมเด็จพระบรมโลวกนัฐนั้นเป็นการทุงคนอย่างยิ่งท่านเป็นพระฉลาดมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดมาการหนึ่งก็มีองค์เดียวเท่านั้นตัวอย่างที่การปฏิบัติสศรีรักาย ม, มือ ทพระองค์สมเด็จพระจีนสีบรมราชดาสถ ม, มัสสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าควปรปฏิบัติศตีระร่างกายของพระองค์คือการทําศพไม่ใช่ว่าเอาศพไปล้างน้ําเป็นก า, า, ารเขาศพจะทําเพียงเดียวกับกรพธธระเจ้าจักรพรรดิราชสันนนนินถามองค์สมเด็จพระบรมโลกงนาถว่าสติระศพธธะของพระเจ้าจักพรรดิราชเขาทําเป็นเรือการใด องสมเดจารย์ใจปรมาศรีดาสัมมาสัพพะเจ้าชื่นในทรงพระแดงพระพุธทธ ด, ดิมกาว่าอา น, า น, า น, า น, นอันทะสุสวรรอนอน์สรีราศกของพรเจ้าจกักรพัทเขาทำอย่างนี้นนคือว่าพุทเจ้าจักรพัทสวรร์าคนแล้วบรรดาปชากรทลายก็นำรางเหล็กมาทำ่ารางเหล็กก็เหมืนนอน ก, กับบรรดาโลกใหญ่ต่อพ่ะเรา แต่ว่าเป็นมีถังน้ําได้และนํำสมรีมาห้าร้อยชุดแอบไปพอหุ้มหลางกายสมพระเ จ, จา้าจักรพรรดิราชได้จะนําผ้าขาวมาห้าร้อยผืนเช่นเดียวกันให้ลกล่าวว่าในาดับแรกเป็นนําำสมรีขอองค์สมเด็จนำหลางกายเขาไปเ จ, จา้าจักรพรรดิหนึ่งท่านแล้วก็ว่าขาวพันลงไปหนึ่งท่านทำอย่างนี้ครบห้าร้อยท่าน ได้นำศพพระแม่เจ้าจาักรพรรดนั้นไปวางในรางเห ล, ล็กหลังจากนั้นก็เอาน้ํามันเทลงไปใน ร, รางเลยให้เต็มแล้วก็นําขึ้นสู่สเชิญแต่ก่อนองค์ส ม, สมเด็จพระจินดาวรมราาสัดาวธรรมาสมุปตะเจ้าทรงตรัสว่า อ, า น, า น, าอนันทะดูเกอนอนุน ร่างกายของพระเจ้าจะกระทัดเวลาที่สวรรคคตแล้วเวลาที่จะถวายพระเพลิงเป็นศพเขาทําอย่างนี้แม้ว่ารีระร่างกายของทหาคนนี้ก็ควรทาอย่างนี้เช่นเดียวกันแค้นเมืองค์ทรงได้ช่วยทรงทันบระมเหสีสินดาสัมมาสขาพระเจ้าทรงันแดงพระสุภารักท การดีองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมณิพพ์แล้วบริจัยการกับสิริร่างกายเป็นรายการใดเวลานั้นก็ปรากฏว่าเป็นเวลาใกล้รุ่งพอดีองสมเด็จเวชินาสีพระมาสกัรดาสชหามาพระพุทธเจ้าก็แสดงพระเดน่ห์แสดงจับทันก็สู่พระมณิพพ์ เมื่อองค์สมเด็จพระบิดามารดับขันเท่าสัพูุทาบริณิพานเวลาใกล้รุ่งพลดีในตอนเช้าบรรดามันและกรสัตว์หลายที่เข้ามาหาพระมหาพหลานนนว่าตนควรจะปฏิบัติในสิริระพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรายการใดเป็นอันว่าพระนนทก็บอกไปตามที่พระพุทธเจ้าสั่แล้ว บันดามันละกาสสแตนไลน์ยันทำาคื่องแบบก่อนสร้างมาเป็นกลางี้พิเศษนำแรงนำแรงเหล็กกมาบรจุสรีและอัพพองสาเด็จพระบรมราชกุศลพันเดือนเฉลี่ยห้าร้อยชั้นและขาวห้ารอยันใส่ลงไปในยางเหล็กและก็ใส่น้ำมันจเต็มนำขึ้นไปวางบนเครื่องแบบก่อน เมื่รพระสรีรศพระองค์สมเด็จพระชินวรมหาสัตย์นาพร้อมที่จะเผาได้บรรดามบรรดาการจเป็นหลายที่เข้าไปหาพระสาวกผู้ใหญ่ในเวลานั้นก็ย่อมมีพระอนุุทินประทานเขาได้เข้าฌานตามสรีรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับในตอนนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคนดีกษัตริยทั้งหลายคนดีบรรดาประชาชนคนดี พายกันบูช า, าเพลงองค์สมุดไทรินาสีแต่พระนรุธไม่ได้ขึ้นไปด้วยมันยังเข้าฌานตามดูจริยาต่อไปเพราะว่าการได้ชีพจปรถุยา น, นั้นองค์สมเด็จพ ร, ระจอมไตรปิฎกศาสานาทรงยกย่องว่าพระนรุธเป็นผู้มีทิฏฐปุถยานลเลิศเกสัยกัทพรงอื่นทัน้งหมดแต่ไม่เข้าฌ า, านตามแตามทายก็องค์สมเด็จพระบรมสโคตร เพรานั้นว่าในเวลานั้นทุกคนก็เข้าไปจุดไฟถวายเพื่เกลื่อสรีระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ ว, ว่าจุดเท่าไรไฟก็ไม่ติดทุกคนเลมีความคิดแปลกใจจึงเข้าไปถามพระอนอนท์พระอนนท์เวลานั้นเหมือนกับสงกรานต์ระอนอนท์ก็เลยถามพระนรุทธ์อ ต, อ, น อ, นตอบไปพระนรุทธ์ก็บอกว่าบรรดาเทวดาทั้าทางหลายไม่ยอมให้ไฟติด จะรอพรมาหายใะตกก่อนในเมื่อพระมาหายด้ตกมาถึงมาไรได้ขอพระมาโทษเถอองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทีว่าได้จยอมให้ใคริดก็เห็นว่าบรรดามันน่าจะาสกหลายจินตรากาศให้บรรดาไประชาชนหลายคออยู่ก่อนดึงกว่าพระมาหายใจตกจะมาขมาโทษเถอองค์สมเด็จพระชินนวรบรมศาสันดา ยังวันเวลาจะล่วงไปสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็กาตามทีถ้ า, าเาข้ามหายกระสับยังไม่มาขอเข้ามาโทษโดยองค์มสมเด็จสัมมาอาวุโสก็เป็นอันว่าไม่ยอมไม่ใครแต่ต้องในทายสุดเลยแต่ท่ากล่าวต่อมาว่าในขณะนั้นเองเมื่อองค์มสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลงอายุแสงขานที่ฟาวรราราเซดี ในเวลาสามเดือนองค์สมเด็จพระจนลศรีพระมหาสษันริย์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาฤทิ์พานที่ระหว่างนางดังทั้งคู่อย่างเามืองกุศลามหานาครในตอนนั้นตามพระบาลีกลาากก่าวว่าอาเกตระษาวะโคงสัมขัยเข้าสมบพิธนิพพ์สอนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระมหาอสุภไม่ได้อยู่ด้วย ก่อนจากหน้านั้นพระมหาดาสศพทูทลลาองค์สมดเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพาพระออกไปทุดงจะได้ป่าทีไม่ป่าใหญ่แต่ว่าการก่อนที่จะไปในเวลานั้นเป็นเรนาานนบบเื่องแปลกอยู่สุดหนึ่งว่าการที่พระมหาดาวศพจะออกทุดงในคราวไรองค์สมดเด็จพระจอมไตรปิฎกเสดาสนะสับบมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยให้ทาน แล้วก็ไม่เคยทักทรวงแตรร่ว่าในการนั้นไปเรื่องแปลกพระพุทธเจ้าทรงทักท้วงขึ้นมหาการศึกเมื่อพระมหากษัตริย์ศพปาบริวายของท่านห้าร้อยรูปเวลาองค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าจะออกคุณดองสมเด็จพระผู้มีพระาภาคเจ้าจีเ น, นมีราาพระพุทธดีกาแต่ใครท้านอยู่นิดหนึ่งเนการจริงไม่ใช่การว่าจากสภาดูก่อนดับศพ เธอหนะ่ะมีความแช่รามากแล้วร่างกายก็แก่แล้วกาช้ากนนี้ก็มีร่างกายก็แก่มากแล้วเราสองคนต่างคนก็ต่างแก่แต่ว่านับตั้งแต่บวชเข้ามาเธอได้ปฏิบัตนะิในทุดกดวงวัดทุกสารในใจ ค, ร, ครถ้วนและก็มีการอยู่ฝ่าเป็นวัดศักดะปสดูธิ่อนูกรสงศ์ แต่ขาคตมีความรู้สึกวั่ากายเข้าป่าในการเจดินทุนดวงพระว่าัดของเธอหน้าจะงดเขียก็ได้ทั้งนี้พู้กระไรร่างกายขงเธอตัวม่อานวยร่างกายพระนขาโคตรตัวหม่อำนวยความตายจะเข้ามาถึงร่างกายพวกเรานี้เมื่อไรก็ไม่ตายนีกเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลัง น, น, นี้มิพพานก่อน พระองค์สมเ ด, ด็จพระสุครมลศาสนาจะเสด็จขับครเนั่งสู่พระไตรปิการแต่ว่าพระนรสพมหาไตรศพก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าพระเจ้าจะทัดทานพระตัวแก่เกินไปพรมหาเตรศพจึงเดกราทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบริสุ ส, สันดาว่าพันเพตรพระวาท่าทีา่องค์สมเด็จพระพมีพระพาเจ้าผู้ทเจริญพระพุทธกา ที่สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงทักทวงว่ า, าพระพุทธเจ้าแ ก, แก่แก่มากแล้วสมเด็จพระอาณฑิตเจ้าปคอแก่มากขอนี้เป็ความจริงรายการที่ท้าพระพุทธเจ้าทุ่งดวงวัดนี้สั่ความจริงจิตของข้าพระเจ้ามีความตกนี้ได้มีความทุกข์กระต่าการใดและร่างกายจะลําบากก็ไมส่สาคัญ การที่ปฏิบัติทุดรงกวัดนี้น่นก็เพื่อจะเป็นแบบจําบัดขงพระอนุชนรุ่นหลังว่าในการต่อไปมาองค์สมเด็จระจอมไกรบรมศาสตร์เสนาธมาสพระเจ้ามีผ่านแล้วก็จะได้มีตัวอย่างว่าสาวกขององสมเด็จพระบพิตรแก้วองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าพระมหาอจฉริย์ศึกทุดรงเป็นวัดตลอดชีวิต องสำเรตกอรทรนาสาไม่กินตรงตัดว่าจับจับปากดูกรกัสอบตาท้าคตมีความรู้สึกอยู่ว่าการต่อปฏิบัติให้เป็นแบบะบับที่พอแล้วในชีวิตของเธอก็เดินผู้ดงมาหลายสิบปีตาทาคตเห็นว่าเธอนี้คนจะอยู่ในคามาวิสัยหมายความว่าอยู่คามวาสีคืออยู่กับวัด รับเครื่องเสกการะอุชาจากบรรดาประชาชนทั้งหลายพระมหาอิศก็ยังไม่สะกิดใจกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจวัดกิจแห่งโตดงนี้ถ้าพระพุทธเจ้าคิดไว้ว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตประพเติโยกกาตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงมีประพฤติโยกกาแต่ว่าก็สบาดโตกรังศพในเมื่อเธอไม่เห็นได้ความเหน่อยยาก หวังจากปฏิบัติในธุกดวงวัดสิ่นเป็นกว่าจะสิ้นอายุขัยเพื่อเป็นแบบจำปัดของพระทั้งหลายที่จะบวมาต่อภายหลังก็เป็นการดีและชาติคดไมหามกรรแต่ว่าชาตาคตมองดูสังฆติของเธอหนี้รู้สึกว่าเศรามากเกินไปสำหรับสังฆติของชาติคตนี้ใช่อย่างไหม่อยู่ดะนั้นเธอจงเอาสังฆติของชาติคตนี้ไปใช้แทน น่าก้วสังกัดสิ่ของเธอมาให้เธอาก็ไดเป็นองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกมาสัจฉิมมาสัตย์เจ้าจึงทรงมอบผ้าสังกัดสิเขาพระองค์ให้พระมหาไส้ศพแล้วรับผ้าสังกสิที่เก่าแล้วเขาก็มาหายกะสบมาครองอีหลังจากนั้นพระมหาไส้ศพกลาองสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพาบรรดาบริวารของขันทังหมด เาปในป่าไปที่โลกวัดว่าองค์เมื่อพี้มาหายากศพลาองค์สมเด็จพระสงฆ์สวรรคตสภาพไปไม่นานประมาณสิบปันเศษองค์สมเด็จพระเบรมรุกไปเที่ยก็ทรงปรงอายุสังขานว่านับแต่วันนี้เป็นวันไปในวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามอีสานเดือนเราจะนิพพานในระหว่างนางรังทั้งคู่อย่างเบญโภินาลามหานคร ที่ทสวัสดีความสำคัญตอนนี้จึงไม่ยอมให้บรรดาประชาชนาหลายเผ่าสงค์สมเด็จพระคุ้มมีพระท่าเจ้าเป็นอันว่าหลังจากวันที่สวายพระเพถงประสบเล่าหลังจากวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าผ่านแล้วในตอนนั้นพระมหาการศพที่เป็นสาวงบุญสำคัญขององค์สมเด็จสวัสดีเจ้าที่แก้วที่เป็นเอเตตัตสทะในได้รับเป็นโย เพื่้านพระดงกวัดมีความคิดถึงองค์สมเร็จพระทรงสวัสดีโสภาว่าเวลานี้เราจากองค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาที่เวลาสามเดือนก่าแล้วไม่ทราบข่าวเลยว่าองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วทรงระทับอยู่ที่ไหนจะทรงสร้างสมรานดีได้เป็นราการใดเราไม่ทราบจึงได้พาบริษัทมุ่งหน้ามาสู่ปาวาเซเดีย เพราะว่าในตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินวสีประทับอยู่ไหนท่านต้ลาพระพุทธเจ้าที่ไหนเข้นน า, าไปคิดว่าถ้าองค์สมเด็จจะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคนที่ปาวาลจะดีกันตัดตอนนี้บรรดาท่านพุทธลีสฟังแล้วก็คิดว่าพระมาหาเจ่อศพนี้เป็นพระผู้ตรงปฏิสัมพิชายาน รูปอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ว่าการที่ไม่ทราบองค์สมเด็จพระคิดธรรมานวมิศสันดาอยู่ที่ไหนหากว่าท่านอยากได้คิดอยู่คยัยก็ดีปัจจุปนังพยายก็ดีจะทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจันทร์ศรีวรมหาสันดาสมาพระพุทธเจ้านี้ผ่านไนแล้วและเขาก็กํำลังที่จะถวายพระเพลิงพระศพ เราแต่ถ้าว่า ย, ยานนี้คำบรรดาในกุฏิบริษัทโบราพระราหันนั่งหลายคือว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่ใช้กันจะใช้แต่ความจำเป็นเท่านั้นเว้นไว้แต่องค์สมเด็จพระพทุทธวันโรมมาสันดาสัมมาสัพธิจ้าองค์เดีวยวที่ต้องใช้า ย, ยานี้เป็นปกติตลอดทุกวินาทีของที่นี เราะฉะนั้นถ้ามาหายใะสบเมื่อเป็นติดเชื้อเป็นราแวดวงหรือตามจริยาต้องความเป็นพระอรหันต์ว่าญาณอันใดที่ได้จากการศึกษาจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารมหาสันดาสสมมาสุตเจ้าการนั้นยังไม่ควรเพียงใดก็ยังไม่ควรจะใช้ญาณนั้นในการให้ดีนะบางทีจะไปนั่งนึกการน็ได้ เป็นปริัมิทายาญจะรู้อะไรมาอะไรก็ได้แม้จะใจคนนละใจสัตว์จะคิดอะไรพระปริศมิชายาญก็รู้แต่ทำไมาองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานเป็นเรื่องใหญ่ก็มาหากับกฎเกณฑ์ไม่รู้ความจริงถ้าต้องการรู้ก็รู้ต้องการใช้ก็รู้และคิดที่ควรใช้อย่างไม่มี ก็นั่งจึงไม่ทราบว่าองค์สมเด็จพระจันารศรีบริบาลศาสนาสมมาสัพพเจ้าบุพานแล้วท่านจึงได้พาบรรดาโรคศิษ ย, ย, ย์้าร้อยลูกไปถวายวาไรย์ดีในตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายไปเห็นที่นั่นมีสภา พ, าาพว่างเปล่ามีแต่วิหารจะมีพระริสุสององค์ใดองค์หนึ่งอยู่ที่นั่นก็ไม่ ก็แปลกใจว่าการสรรญดาองค์สมเด็จพระจินดาสีบริมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไหนจะปล่อยพระว่าจุดหนึ่งก็เป็นการเจริญสักการะสมัญดาของพระบรมริศแต่นี่ถ้งองค์สมเด็จโพสงสวัสดีศพผ้าที่ลดสมัญในแม้แต่องค์หนึ่งก็ไม่มียังเล่ถามคนแถวนั้นเขาว่าองค์สมเด็จพระจินดารีบริมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไหน เว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมีพานพระนริกายข่ า, าวมิพานพระทั้งหมดเวลานั้นมีด้วยกันสองแสนเศษไปไปรุมกันที่เมืองโกศินารามาหานครหมดแต่ว่าพระมาหาดศกที่ไม่ทราบข่าวองค์สมเด็จพระบรมโตคติว่าอยู่ก่านหรือใคาบข่าวเจ้าบ้านบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสมเด็จไปสูสส่กรุโขุกศินารามาหานคร เมื่อพระมาหเาเจ้าศึกษาขรองค์สนเด็เพระจินวรไปที่นั่นก็ตามไปไปถึงระหว่างาทางทักร้อนพระก็มีปริพายทจคนหนึ่งมาจากเมืองคุตสินารายรือดอกจำบานดอกใหญ่ที่บรรดาชาวสวัด์นั้นหลายโกรธลายมาสูชาพระพุทธเจา้ายิ่งถามว่าโพบุริษะดูก่อนบุรุษือเะไร เวลานี้ท่านได้ทราบขาวว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไหนอยู่ที่ไหนผู้โดยคนนั้นก็กล่าวว่าเรารู้เรามาจากเมืองโกศินรามหานครเวลานี้องค์สมเด็จพระจินนวันบริมาราสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วเขากําลังนําขึ้นสู่เชนเดกรเพื่อเก็บเขา ท่านเห็นดอกไม้ในมือพวกเราไหมดอกเชมบามันใหญ่กว่าโลกเป็นดอกเชมบาที่บรรดาเทพขบตดเทพดินดาทั้งหลายโปรยปลายมโหชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนิพพานเมื่อบรรดาพระสมเดทั้งหลายเหล่านั้นฟังคำจากปริีศาจทกท่านที่เป็นพระอริยเจ้าก็แสดงธรรมสังเวชว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเกษตรทรงดับไฟเ้าส่ทัศนิพพานไปแล้ว เจริร่าง ก, กายาพระองค์สมเด็จพระบรมที่แก้วถึงแม้ว่าจะเป็ น, นพระบรเจ้าก็ยังตกอยู่ในตะขันข้าวนับกายของใจรักปรายเสื่อนิจังทุกข์ังอนัตตามีการสลายเป็นอดีสรับพระที่ยังไม่เป็นพระอเดียเจ้าก็แสดงความเสียใจร้องไห้ไปตามๆกันในเวลานั้นก็ยังมีพระดียมอยองหนึ่ง แต่เป yeah, ็นพระบูตะไแศ่ลเขาเรียกวุฒบ like e um ันเิตคำว่าวุฒบันเมชิตหมายความวพระแก่องค์หนึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นเขากแสดงธรรมสังเวชคือพระอริเจ้าแสดงธรรมสังเวชแก่กบเลยบรรดาพระที่เป็นบุตรชนงหลายร้องไห้เสียดายองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพิตเจ้าแก่กบเลยรู้ที่เขาจะมีเบญจาดี แต่ความจริงตอนนี้ที่าดีดันเนตแทรของแกเป็นคนดีจิตใจเต็มด้วยความอับอายเป็นอย่างมากเห็นมันดาพระทันไลร้องไห้กันแกตัวห้ามรามว่าพวกท่านจะร้องไห้ไปทําไมพระสมณโคดมมิพานหรือว่าตายไรเส้นนั้นมันการเป็นการดีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสมณะโคดมจะไม่แสดงความเคารพลเลย แกไม่เคารพแต่พระพุทธเจ้าเลยว่ า, ว า, วาตายใก็เป็นการดีเมื่อมีชีวิตอยู่นี่บัญญัติโ่นบัญญัตินี่ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ดูมันว่ามือและเท้าของพวกเรานี้จะเหยียดออกไปก็จะไม่ได้มันผึดไปใช่หมดเวลานี้สมเด็จพระบรมสุขภ ค, คือพระสวรรณโคนดมนี่สแสดงความไม่สำนึกตายเส้นได้เป็นการดีเราจะได้สะดวกในการปฏิบัติ าการสุจาวาเมื่อษาพระองค์สําคัญเข้มข้นในตัวทรงเสวัตรีสุภาพคือพระมาหากนการตกทิ้งโทสั น, สสานดาตการกล่าววาจาโจรจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็รู้สึกสนกใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าพระองค์นี้มีความจังไรในตินไม่ได้มีความคิดที่จะสรพบตัองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นน้อยคือคนบันทึกเสียงก็ระวังหน่อนะ อีกหนึ่งนาทีสามสิบนาทีวันนี้ตะคงยังไม่จบจะต่อไปเลยชนิดหน่อยไม่งั้นก็ไปถึงที่เขาเป็นัอนุสมเด็จติยสำมาติเจ้าทรงสระเวลามีค่าของพระองค์หวังจากสองเดือนที่ใส่ค้นษาให้คนทุกข์เพื่อมีความสุขแต่เทว่าวุฒิบารมิพระบทต่อไปแก่ไม่ได้ปฏิบัติคนดเคนดี แต่ท่านยขับยไล่อย่าด่าอย่าตีกันในเวลานี้ใ <c oughs> ี่ไ้คิดมากคนมีคนดีเขาคิดยาวแต่คนเลวในคิดท่านอย่าใจะั่ว ย, ยังไงก็ชั่วไปทัมาทลายก็ต า, ามทีดีไม่ดีก็บท็นอุปสมะชีกาอาศัยพระพุทธศาสนาดีสิไม่ไดคิดที่จะปฏิบัติแต่กิเลสให้เป็นสมุทเยจรหาน อย่างอุตบันมิชิตองลีเป็นพระที่มีความเร็วมากเขาจเจริยนเขาจเจริญศีลสมาธิปัญญากัารกิจสระอาจแต่เธอจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงบัญญัตจาวิ น, นันอยนอ้ามันดาที่สูงงทั้งหลายสร้างทําความชั่วตัวกับไม่พอเห็นว่าเป็นระ บ, บอบที่กดดี่เกินไปจะเหยียดมือจะเหยียดเยดท้าก็เหมือนจะทําไม่ได้ เห็นว่า อ, องค์สำเร็จรจามใจว่ามาสัตย์สันดาจายเปเจอแล้วพระวินัยตัวนี้คงไม่มีผลเพร า, า, าะวอย่างนั้นถ้าคนห้ามตายจะทํำยังไงก็ทําได้สาหรับระมาหายใจศ้ท่านคิดยาวไปกว่านั้นท่านเป็นอราหันต์และในกลุ่มนั้นมีพระอรหันต์มากกว่าบรรดาพระที่เป็นบุตริคนคือพระที่เป็นบุตริคนคนอินทร์นั่นไปด้วยกิเลสปวดภายหลังมีไม่เกีออ่ยวส่วนใหญ่เป็นพระอราหารันต์ ความยับยังในจิตใจของท่านย่อมมียิงเล่พากันขึ้ น, นว่าที่ตัวนี้เลวเกินไปสำหรับท่านตาสาวพัดแต่ว่าเราจะลงโทษจะขักจะไล่จะตีจะด่าจะว่าลงดงนนนานกรรมบรรดาผกเดีฤรธิ์ท่างหลายก็จะพากันต่าช่วงจากพระธรรมวินยัยว่าพระสมณะโคโดมตายไปไม่ทันอะไรไม่ถึงเจ็ดวัน บรรดาสาวกของท่านก็ทะเลาะดา่ากันตีกันขับไล่กันเพื่โอดใจกัาไว้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเื่นใ จ, ะจะยุคพระบริการใดบรรดาแพร่ร้านน่า ห, หลายก็นิ่งวในใจว่าถึงการเมื่อไรจะจัดการทันที